ช่วงเช้าน้นเป็นเวลาที่จิตมันสงบตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ค่อยมีความคิดจิตมันยังไม่ได้มีการเดินทางมันอยู่ข้างในยังไม่ได้ไปสัมผัสยังไปรับรู้เห็นอะไรังั้นความคิดก็ยังไม่เยอะเวทนาก็ยังไม่ครอบงำอะไรมากมาย งนั้นจึงเหมาะในการเจริญสติสัมปญญะต้นเช้าข้อดีมันก็คือได้ฝืนอารมณ์ตัวเองฝืนในสิ่งที่เราชอบคือความง่วงความเหงาความหลับความสบายไปใต้บรรยากาศที่เราเรียกว่าเป็นความสุขหรือสุขวีนาน รองถ้าคนไหนฝึกฝืนตอนเช้าได้ตื่นดึกลูกเช้าเนี่ยมันต้องมีความเพียรพอสมควรความเพียรวิริยารมภะการบารุปความเพียรคือเพียรประคองสติเพียรตั้งจิตไว้ เพื่อไม่ให้มันเลอะเลือนเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นความงอกงามความไพยบู์ความเต็มรอบแห่งสติสัมปชัญญะพระอระหันต์เนี่ยคำนิยามก็คือผู้มีสติตลอดเวลามีสติสมบูรณ์สมบูรณ์ในขั้นที่พัฒนาเป็น ญาณทัศนะรู้แจ้งจนหมดสิ่งที่จะต้องรู้เพื่อการดับทุกขนะ์หยุดรู้หยุดรู้หยุดเรียนรู้หยุดแสวงหาความรู้จ<ช>บการนึกษานั่นคือพระอราหันต์คือผู้หมดทุกข์ไปแล้ว ถ้าเราอยากมีการกําหนดความรู้อยู่เพื่อจะดับทุกเนี่ยอันนั้นก็ต้องกําหนดรู้ดับดับดับดับพรมจรรย์นี้นนยังไม่ถึงที่สิ้นสุดถ้าเรากําหนดรู้จ น, นถ้ามีความรู้เกิดขึ้นมาว่าสิ่งที่ต้องรู้จบสิ้นไปแล้วนั่นเขาเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์ ตราบใดก็ตามที่เรายังเห็นวนะ่าตัวตนเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยายังมีความชอบความไม่ชอบยังมีความหลงในอาการของรูปของกายของเวทนาของความปรุงแต่งความคิดความอยากอยู่เนี่ทุกมันก็ยังไม่หมด ทุกหายจิติุลณ์ปูนันี่ยทุกเกิดอยู่แล้วแล้วเราเราอาศัยการเจริญสติปัฏฐานเจริญสติคือความระลึกรู้เนี่ยมาทําให้มากตามหลักของโพชฌงโพชงองค์แห่งการตัดสรู้องค์ธรรมแห่งการตัดสรู้องค์ธรรมแห่งการรู้แจ้งเจ็ดอย่างสติ โฉชังโคสติสังฆาโตธรรมานังวิชโยตถาวิริยมปิิปัสสติโฉชังคาสตเตเตสัพพสนามุนีนาสัมมทกาถาภวิตาปหุลิกตาสังวัตันติอภิายะนิพานายะจพติยาสติมีสติและสังเกตว่า เราจะเริ่มดูใจดูกายตัวเองเป็นมันไม่หลุดออกจากกายจากใจนี่ก็เรียกว่าสติเดินไปไนี่มาไหนก็เรื่รรู้ดูอยู่ตลอดเวลาสติทีแรกก็รู้นานๆเข้าไม่ใช่รู้นะแต่เป็นเห็นการเห็นเนี่ยชัดเจนกว่าการรู้ การรู้เหมือนกับการชิมการเห็นเหมือนกับการกินการหลุดพ้นคือการอิ่มรูปรถกินเสียงภาษะหรือปัญญาที่เกิดขึ้นสมาธิทั้งหลายถ้าจิตมันอิ่มตัวมัเหมือนกับอาหารที่มาตั้งเต็มคือตั้งยังไงมันก็ไม่หิวตั้งยังไงก็ไม่อยาก พอมันอิ่มแล้วไม่นึกอยากหิวไม่ว่าจะเป็นเมนูชนิดไหนดังนั้นเขาจะเล่าเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงอะไรให้ฟังมากมายหลากหลายเราก็ไม่กระเสือกกระสนกระตือรือร้นที่จะต้องเร่งเราเราเข้าไปรู้อะไรเข้าไปเห็นไปสัมผัสอันนั้นดีนะอันนี้ดีนะมันอิ่มแล้วอิ่ม อิ่มอๆอิ ม, อ ม, อ ม, อมคือจ บ, จบพรหมจรรย์พรหมจรรย์มันบริสุทธิ์จริงๆรพรหมจรรย์นในจิตเราเนี่ยมันมีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ขาดไม่ใช่หายแม้เราจะผิดศีลผิดทำอะไรพรหมจรรย์ก็ยังมีเพียงแต่ว่ามันด่างพร้อย เราก็มาชำระล้างซะเอากิเลสออกมันไปทับถมเขียมันออกทีละน้อยละน้อยละน้อยภาวนาเฝ้าดูภาวิตาทาเยอะๆพระหุลีกตาทำให้ต่อเนื่องสังวรตันติทำจนถึงที่มันควรจะเป็นแตมันก็จะเกิดอภิญยาอภิญยาแปลว่าความรู้อันยิ่ง ความรู้อันยิ่งก็หนึ่งระลึกรู้กายสองมาเข้ามาเข้าก็มีหูทิพทิพโสตะนะมีตาทิพคือรู้กายต่อเนื่องก็เป็นฌานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มามีหูทิพตาทิพนะ นี่เจโตปริยญาณยหูทิพย์ก็คือสามารถฟังธรรมะรู้เรื่องเมื่อก่อนฟังธรรมะนี่ไม่รู้นะปฏิเสธือฟังอะ่ะมันรู้ภาษาไทยแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องอะ่ะมันไม่ดูดื่มภาษาบาลีเราฟังแต่มันไม่อิน คนมีหูทิพย์เนี่ยอินนะธรรมะฟังเสียงแว่วมาจากไหนกน็หรือฟังอะไรใครพูดนี่มันเป็นธรรมะเป็นโอปนิยิโกหมดเนะ่ะคือน้อมเข้ามาใส่ตัวเองมดใครพูดอะไรก็ตามคือมันเป็นธรรมหมดเนะ่ะคนมีหูทิพย์เป็นอย่างนั้นมีตาทิพย์ก็เหมือนกันนะมีตาทิพย์คือมองเห็นแล้วไม่ปรุงแต่ง คำาตาทิพนี้หมายถึงทรมาจากสุนะความสว่างสวยอย่งภายในเมื่อก่อนเห็นแล้วปรุงมันทำให้เป็นทุกข์นะแต่นี้พอจิตมันฉลาดขึ้นหน่อยเห็นแล้วมันไม่ปรุงตาันี้หายยาก นั้นมนุษย์ในแทนที่จะแสวงหาตาทิพย์ไม่ค่อยแสวงหาหาหูทิพย์ไม่แสวงหานะฮะตุ้มหูมาใส่ห้าอันสิบอันขึ้นไปตาทิพย์ก็เหมือนกันแทนที่จะแสวงหาปัญญาหาแสงสว่างศาสส่องเข้าไปในดวงใจเปิดตาเปิดใจให้กับตัวเองเราก็ไม่เอา เต้ามวแต่ไปเขียนขนตาเขียนลูกตาต่อหางตาอนุร ณ, ณีตาทิพย์ที่จะเป็นเรื่องของปัญญาดัานไม่แสวงหามนุษย์เนี่ยนันจะติดอยู่กับแต่เรื่องเปลือกๆนะไม่สามารถที่จะล่วงนะการล่วงเวลาล่วงความยึดติดไปได้นีเจโตปริย า, ยานหมายถึงกันรู้ จิตตัวเองก่อนที่มันจะคิดได้เมื่มันก่อนมันจะคิดคิดว่าคุณมารู้มันก่อนเห็นมันก่อนคือดักใจตัวเองเป็นเอ่าคิดอะไรเนี่ยก็ดับไปสามารถดักได้ในทุกที่ทุกสถานนั้นเราไปในมันเอาคิดมาแล้วเนี่ยดักได้ดักใจตัวเองเป็น มียานคือความอย่างรู้นะฮะสามารถดักความคิดที่มันจะเกิดขึ้นคือรู้ก่อนที่มันจะคิดเนี่ยตอนนี้เดินเนี่ยเอามันจะคิดเรื่องนั้นรู้มันก่อนพอรู้มันก่อนมันก็ดับไปเหมือนโจรนี่แหละรู้เขารู้เรารบร้อยคลังชนะ100ร้อยคลังเหมือนซุนวูเนนะีนี่เหมือนกันนะเรารู้ก่อนที่มันจะปรุงแต่งดังนั้นสติสัมปัญ ญ, ญานี่ต้องมั่นคง ไม่หวั่นไหวไม่ใช่กระทบอะไรเลย่ยๆน้อยคิดแล้วอันนี้ยังไม่ได้กระทบเลยซ้าไปนะความคิดเนี่ยมันปรุงไว้ละวงั้นต้องมีเจโตปริยญาณพัฒนามาจากโน้นมาจากหูทิพตาทิพนะั่นถ้ามีเจโตปริยญาณบ่อยๆ ย, ยานแปล ว, ควนะ่ความรู้นะความรู้ความรู้อันยิ่ง ยานีนเกิดจากอะไรเกิดจากสติบวกกับขันติมีสติระลึกรู้บวกกับความอดทนมากๆระลึกรู้อยู่สามารถฟันฝ่านิวรธรรมปัญญายาณอยู่หลังนิวรธรรมนะอยู่หลังนิวรเราฝ่าเข้าไปได้ไหมไม่มันง่วงมันเงามันเบื่อไม่หไหนเนี่ยฝ่าเข้าไปมันอยู่หลังนิวรนะั่นน่ะนิวร แปลว่าเครื่องกีดขวางไม่ให้จิตเป็นสมาธิอารมณ์ที่ขัดขวางไม่ให้ตัวเราไม่ให้จิตเกิดวิปัสนาญาณท่านิวนยังขวางอยู่เข้าไม่ได้นะมันผ่านไม่ได้ผ่านรหัสอันนี้ไปสู่วิปัสนาไม่ได้ตอนนั้นเราเฉือนมันออกใช้ความปกติใช้ศีลเฉือนมันออกใช้สมาธิจิตตั้งมัน่น เฉยเมื่อนักคนในรู้รูปนามจะรู้จักความปกติของจิตตัวเองโอ้จิตปกติเป็นนี้เนี่ยแล้วก็ประคองให้มันตั้งมั่นขึ้นมาเขาเรียกว่าสมาธิพอสมีสมาธิมากเข้าก็อะไรกระทบก็ไม่หวั่นไหวสามารถเห็นนู่นเห็นนี่นะเห็นสังขารทั้งหลายปรุงแต่งขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับไปดับมากเข้ามากเข้า สมาธิก็ยิ่งมีพลังในที่สุดก็เห็นการดับแบบถาวร น, นะนนเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาคือการดับทุกขนะ์สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วดับทุกข์ไดน้นถ้าไม่มีสมาธิมันดับความปรุงแต่งได้ ไ, ม, ไม่ได้ทุกทั้งหลายเกิดจากอุปทานทุกข์ทหลายเกิดจากความคิดความปรุงแต่ง ทุกทั้งหลายเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเกิดจากความไม่รู้แจ้งความไม่รู้แจ้งเกิดจากความไม่รู้ตัวความไม่รู้ตัวเกิดจากโมหะหลงเพลินอยู่กับสัญชาตญาณสัญชาตญาณทั้งหลายดำรงอยู่ได้เพราะการไม่กำหนดรู้ถ้าเราไม่กำหนดรู้ ก็ไม่จะได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลของปัญญาทั้งหมดนั้นเริ่มที่การกําหนดรู้สติจริงๆมันมีต่อเนื่องมากเข้าก็จะเริ่มไม่ต้องกําหนดรู้เพราะจิตมันตื่นแล้วเนี่ยกระพริบตารู้หายใจรู้เดินไปเดินมารู้รู้ในทุกสถานที่รู้ในทุกการทุกเวลาทุกในทุกอิริยาบถ รู้ในทุกอารมณ์ทุกภัฒสะทุกเวทนากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเขาทุงบอกว่าสติสัมปญะเมื่อจเจริญเต็มที่เราจะสามารถยังรู้ในหมื่นโลกกรฐาหมื่นโลกกรฐานราคะโทสะโมหะงุดหิตดัดกัดเกลื่องขี้เกียตเบือใน ในการทั้งสามอดีตปัจจุบันอนาคตที่เข้ามาทางอายนตนะตาหูจมูกดิ้นกายรูปรถกินเสียงสามารถอย่างรู้ได้โมโนต้นนั้นเป็นมหาสติปัฏฐานแล้วรู้สามารถรู้ในหมื่นโลกธาตุเนี่ยทุกๆอย่างมีรสเดียวกันรสชาติเดียวกันเวลาไปชิมเวลาพัสสะเนี่ยคือรสทุก ทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยพอสัมผัสดูแล้วคือทุกติดความคิดทุกโกตินนาอยู่กับความคิดปรุงแต่งไปทุกข์คาเปรตามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเป ว, วนามิมัสสะเกวลสะทุกขะกันทัสะอันตะกิริยา ย, ย, ายะปัญญาเยธาทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัด นี่โรดทำไงจึงจะปรากฏชัดไอความไม่ทุกมันมีอยู่นะเนี่ยอย่างเรานั่งเนี่ยมันก็ไม่ทุกใจว่างๆแต่ว่ามันไม่ชัดนะพอไม่ชัดเนี่ยเราก็เลยหลงหลงไปอยู่กับอันที่มันเป็นทุกข์นั้นถ้าเราเห็นความไม่ทุกข์ชัดๆเราก็าจะจำได้เหมือนเราเคยกินอะไรรสยังไงนะเราจำได้แล้วเราจะนึกถึงเราอยากกินอีกอยากกินอีก พอมันอร่อยถูกปากเหมือนกันนะ่ยรถแห่งความไม่มีทุกเนี่ยมันจะชอบแต่รถแห่งความทุกเราไม่อยากเอาคนรู้แจ้งเกิดปัญญาแล้วนี่ความคิดนี่เหมือนไฟไม่อยากเหยียบมันเพราะเหยียบแล้วเป็นทุกทุกทีความโลภโกรธหลงไฟราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่อยากเหยียบถ้าเหยียบแล้วเป็นทุก มันถกดึงเท้าถอยกลับคืนอย่างรวดเร็วเห็นความคิดถอยกลับคืนมาความคิดเวลามันเจอวิปาาัสสนาญาณเจอสติสัมปัญญะญตัวเนี้ยความรู้ตัวทั่วพร้อมที่เราทำได้ต่อเนื่องมันเหมือนไฟเหมือนไปเผาหนังเข็มเนี่ยจีนหนังจีพัาสติกไปเนี่ย พอจุดปุ๊บมันหดตัวปุ๊บปุบเหลือ น, นิดเดียวนะเนาะเหมือนกันน่ยความคิดความปรุงแต่งทั้งหลายเอาไฟตะบะเผาเข้าไปสติปัจฐานอยายให้มันอยู่กับฐานอยายให้มันหลุดจากฐานอยู่ฐานกายบางทีอยู่กับแต่ฐานกายไม่พัฒนานะเวทนาหวั่นไหวแล้วหลุดไปกับเวทนา พอทำมากขึ้นรูดนะต้องผ่านมันให้ได้เขาต้องบอกไงว่าใครที่จะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าใครที่จะเข้าไปหาพระเวสสันดร อ, อยู่ข้างในนะต้องผ่านมาสามสิบสองตัวที่ในผานเิตบุตรเฝ้าอยู่ข้างนอกคือเจ้าเมืองเขาส่งไปว่าไม่ให้ใครเข้าไปรบกวน ตายชูโชคมันก็ผ่านได้ก็ได้ไดเจอพระเวสสันดรไปข อ, อกันหาอชาลีเราเองเนี่ยถ้าเรายังติดอยู่ในเวทนาก็คือติดอยู่ในอาการหมาสามสิบสองตัวคอยแกดแข้งกัดขาเวลาจะเข้าสู่โหมดของวิปัสสนาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละจะเข้าสู่ในดินแดนวงกฏเขาวงกดเนี่ย เราต้องผ่านมาสามสิบสองตัวคืออาการเจ็บปวดแข้งขาตีนมือหูตาจมกูกพวกนี้มันเข้ามารุมเราแนละชีวิตเนี่ยเราต้องผ่านมันได้เราต้องสู้ได้เราไม่ได้สู้อะไร ส, สู้ปล่อยวางสู้ปล่อยวางปล่อยวางให้ได้ถ้า่งนั้นเราจะไปขอลูกพระเวทสันดรไม่ได้คือขอกันหากันหาคือตันหานะ คือปฏิบัติธรรมนี้ต้องสามารถสละลูกเมียได้นะถ้าสละไม่ได้บรรลุทำไม่ได้ต้องเป็นเป็นบา ร, รมีคำว่าลูกเมียกันหานี่หมายถึงตันหาชาลีในแปลว่าอุปทานชาละแปลว่าขายแปลว่ายึดติดสิ่งที่มันเกาะเกี่ยวไม่ใช่ลูกเราอยู่ที่บ้านนะคนละเรื่องคือสามารถสละ ไอตัวตัณหาได้ตัณหาคือความอยากอยากในกามอยากในอยากเป็นอยากมีนะอยากในความไม่อยากมไม่อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นวิภาวะตัณหานั้นสังเกตดูดิในจิตเราเนี่ยถ้าเราสละลูกได้เราก็ใกล้ได้เป็นพระพุทธเจ้า เหมือนพระเวสสันดร น, นะใกล้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธเะเปโวรู้ตื่นเบิกบานทุกคนมีสิทธิ์เป็นถ้าฝึกฝืนเนี่ยอย่างมหายานเนี่ยเขาไม่ได้อธิษฐานฝึกตัวเองเพื่อเป็นพระอระหันต์นะเป้าหมายของเขาก็คือการเป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้าไปต่อคิวเป็นพระพุทธเจ้า คนอื่นอธิษฐานว่าเป็นพระพุทธเจ้าคนนั้นอธิษฐานในโลกนี้มีกี่คนนะอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าเขาเองปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันน่ะเป้าหมายคือต้องการเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปต่อจากคนคนนั้นแม้จะช้าจะเร็วอะไรก็ตามเขหวังว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้านี่ยไม่ได้ช่วยคนด้วยเป็นพระหรหัสนี่เขาว่าปัญญามันน้อย นั้นคนไหนถอนความอยากคือตัณหากันหานี่นางกันหานี่ออกได้ตัดชาลีชาลีนี่ไม่เข้มแข็งมบนตัณหาอะไรเป็นอุปทานตัณหาอุปทานถัดออกมันจะสบายทีนี้ก็จะเหลือนางมัดสีนางมัดสีนี่คือตัวรูปรถกิ่เสียง มาอยู่นี่พยายามเฉยกับมันทุกวันมือนไม่ใช่ของเราของยืมเข้ามาอาหารการกินก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราก็ไม่หง่หิดไม่ติดอารมณ์ไม่ชอบไม่ชังรา่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจึงให้บินธบาน่ยไม่ให้ทำอาหารเองถึงไม่ใช่อยากอะไรก็กินในนั้นไม่ใช่ไม่อยากก็ไม่กินไม่ใช่เป็นธรรมชาติ คือบินธบาติเนี่ยอันที่เราไม่ชอบก็ได้บางทีสิ่งที่เราชอบชอบก็ได้มาได้มานี่เราจะปฏิบัติต่อมันยังไงอะไอสิ่งที่ไม่ชอบต้องกินสิ่งที่ชอบดันไม่มีบางวันสิ่งที่ชอบลอยมาเยอะแยะตายทีนี้ทําไงอาหารด้วยยาดโยมด้วยอามาถวายด้วยคนนั้นคนนี้นี่นั้นการเรียนรู้ด้วยการวางจิตต่อผัสสะนี่เป็นเรื่องที่ ต้องใช้ความสามารถมากต้องใช้สติสัมปชัญญะมากมา ก, มากถ้าไม่เก่งก็ไม่สามารถจะเป็นแบบพระมหากจาจยนะพระมหากาจยานะท่านตามใจโยมคนนั้นมาถวายตามใจคนนี้มาถวายแม่ยกเยอะเอาไปมาเลยตัตอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอูนขึ้ น, น, ข น, ข น, น, ข น, นหูสั้นเข้านะลุกก็ไม่ได้เห็นรูปปั้นไหมตัวใหญ่ใหญ่อ้วนอ้นนะ่ะ ตัวแทนของลาบนั้นลาบสักกะละใครอยู่ใกล้พระมหาคจยนะจะร่ำรวยมีอยู่มีกินสะดวกสบายเพราะตัวท่านเป็ น, น, ปนแม่เหล็กดึงดูดแ ย, ดย่จมบางทีบางคนไม่ได้อ้วนเพราะกินมากกินน้นอยๆแต่มันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้ น, น, นเพราะถึงจังหวะหัว่จะมีต่อม ันุนอันนี้ไปตามเรื่องของมันก็จะเป็นอย่างเวลาเราอายุเราโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเลยวั3สามสิบไ ป, ไปมันไม่ออกไปทางยาวขึ้นไม่ออกไปทางขาไม่ออกไปทางหัวแต่มันออกไปทางข้างมันออกไปทางหน้าทางหลังเนี่ยก้นใหญ่ท้องใหญ่ มันเป็นไปหมดเป็นธรรมชาติมันนะอันเนี้ยเป็นธรรมชาติอืมตราบใดที่เรายังกินยังมวลปรุงอยู่มันก็เป็นแบบนั้นคือมันมีอาหารเหลือข้างในมันก็ไปทำงานอันนี้เป็นไว้แต่กินพอดีไม่ต้องขี้นะนะกินพอดีอ่ะกินพอดีมดกับการเดินโยกกลมนี่นะกับการใช้ชีวิตเดินไปในพลังงานมดพอดีมดพอดีมดพอดีส่วนมากเราไม่กินเผื่อเหลือเพื่อขา ก็เป็นธรรมดานะแต่ยังไงก็ช่างเธออ้วนผอมจอมทะเลิน้นอะไรก็ทำก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะสามารถตัดความปรุงแต่งร่างกายสังขาร น, นี้ได้มายัางไงก็เป็นอย่างนั้นนะเอาพอมันไม่ทุกข์ก็พอแล้วไม่ต้องพึ่งมีดหมอไม่ต้องพึ่งสัญญกรรมพลาสติกอะไรพออยู่ได้ก็เอาละ่ะ ชีวิตีนเพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์สติสัมปชัญญะต้องมาก่อนสิ่งอื่นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์เพราะมนุษย์มีสติสัตว์ตไม่มีสตินะมองไกลๆมองไกลๆตั้งใจทำดีๆทำเหมือนต้นไม้มันเริ่มงอกบ้างเี็ จะไปหดหูมากนักนะเหมือนละหว่านเม็ดข้าวลงในนาเนยเราจะเป็นเม็ดข้าวรีบหรอถ้าข้าวรีบมันก็ไม่งอกนะมันควรจะงอกได้แล้วนะเนี่ยจะไปห่วงร้อนห่วงหนาวนะความเพียรต้องเพียรในทุกสถานทุกที่ทุกเวลาอะไรก็ตามที่เราบอกเราสอนแนะนําให้ เอาไปฝึกไปหัดให้มันเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาให้มันได้รับความวิเวกพอใจในความสงบสงัดคนมีสติสัมปชัญญะเนี่ยจิตมันจะมุ่งหาความสงบสงัดวิเวกนะเพราะความสงบสงัดควา ม, มวามิเวกเนี่ยเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ สัมปวังโกสหายโยกัลยาณมิตโตมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปเพื่อความสงบสงัดมีสหายคือเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมนี่ดีทำอย่างเดียวกันคนนั้นก็ขยนันคนนี้ขยันมองไปซ้ายกับคนนั้นก็ตั้งใจไปทางขวาคนนี้ก็มัอนแต่บุคคลมาอยู่นี่บางทีนอกจากไม่ขยนันขี้เกียจเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับคนอื่นแล้วเนี่ย ตัวมันเองยังไม่ได้อะไรเราจะรู้ทันทีนะคนเก่งไม่เก่งพอมาปฏิบัติทำจะรู้ทันทีอะแล้วัดดูเนี่ยจะรู้ทันทีว่าศรัทธาแค่ไหนวิริยะมีแค่ไหนสติมีแค่ไหนสมาธิมีแค่ไหนปัญญามีแค่ไหนการสังเกตอารมณ์ตัวเองมีแค่ไหนความเพียรมีแค่ไหนสติธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสติสมาธิอุเบคาเนี่ยมันมีแค่ไหนอ่ะ มานทีไม่มีอะไรเลยมีแต่อารมณ์มีแต่ความคิดมีแต่ความอยากมีแต่ทิฏฐิมาเนะ่มีแต่ความเมาในตัวตนของตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้โพชฌงค์คือองค์แห่งการตัดสูุก็ไม่มีหวัง่บางคนไม่ได้หวังอะไรนะมานี่ไม่ได้หวังไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังอะไรก็ช่างเถอะนะปากเราก็พูดว่าไม่ได้หวังนั่นแหละ แต่ชีวิตจริงๆก็คือไม่อยากเป็นทุกข์ไอ้ความไม่เป็นทุกข์นั่นแหละคือเป้าหมายชีวิตมนุษย์ปฏิบัติธรรมเลยคือไม่ให้มันเป็นทุกข์นั่นแหละทีนี้จะไม่เป็นทุกข์มั น, ต, นต้องมีสติมีสมาธินะคุณต้องออกจากความคิดคุณเป็นต้องออกจากความคิดเกียดเราเป็นมันถึงจะทําให้ความหวังมันสมหวังทํามาเดินจู ก, กลมมีแต่ความคิดมีแต่อารมณ์เนี่ยมันก็จมอยู่กับทุกข์แหละ ออกกคุณจะหวังถ้าคุณไม่ปฏิบัติทมก็ไม่สมหวังถ้าคุณปฏิบัติตั้งใจทาคุณไม่หวังมันก็เป็นเหมือนกินยาในบอกว่าจะหายนะอยากหายนะโรคเนี่ถ้ากินยาถูกสูตรทาไมมันจะไม่หายถ้ากินยาผิดหรือไม่ได้กินยานะอยากหายโรคจ้างให้มันก็ไม่หายชีวิตมันเป็นแบบนั้น เนี่ยเป็นธรรมโอสดเนี่ยธรรมโอสถธรรมโอสถคือความระลึกรู้เนี่ยธรรมชาติอ่ะเนี่ยเราอยู่กับธรรมชาติบริโภคธรรมชาติระลึกรู้อยู่กับธรรมชาติสังเกตธรรมชาติธรรมชาติภายในนะภายในในรู้สึกเหยบ่อยเห็นไม่บ่อยรู้บ่อยเตรียมตัวเถิดนะในชีวิตเราเนี่ยมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนี่ย ปีสงสารโรคนั้นโผล่มาโรคนี้โผล่มามะเร็งมะเร็งโอ้วนมากมายหลากหลายเราจะภูมิใจกับการเกิดมาเป็นคนนี้นะภูมิใจว่าได้มีปัญญาเอาตัวรอดจากความยึดมั่นถือมันแล้วชีวิตเนี่ยความหลงไหล ย, ยึดติดอยู่ในอุปทานขันเนี่ยสลัดหลุดได้แล้วเป็นผู้เบาล่ะ ถ้าปล่อยก็เป็นผู้เบาถ้าเอาก็เป็นผู้หนักเราจะเอาอยัางไงชีวิตเนี่ยวันหนึ่งหนึ่ ง, งความคิดว่าจะเอานี่มีเก้าสิบเก้าปล่อยมีอันเดียวก่อนนอนเท่านั้นเองก่อนนอนนี่อยากหลับอยากหลับความคิดไม่อยากยุ่งเท่านั้นเองเพอตั้งแต่ตื่นตาตื่นนอนขึ้นมาแล้วนีนน่มีแต่จะเอาไม่แต่ในความคิดความฝันก็ยังจะเอาอีกนะจิตเนี่ย ถ้าเอาอยู่อย่างนี้มันก็หนักแล้วหนักขันหา้ายึดเอารูปยึดเอาเวทนายึดเอาสัญญาสังขารความปรุงแต่งทั้งหลายท่านึกบอกไงชีวิตเราดูเหมือนคนป่วยนะเนี่ยเกิดมาดูเหมือนคนป่วยคนเมาป่วยป่วยยึดติดมัวเมากับกายทํายังไงมันจึงจะเบื่อหน่ายในกายก็ต้องเห็นสักกายะทิฏฐิ เห็นกายน้สักว่าเป็นกายแต่ลึกรู้เฉยๆรู้กายทำความเป็นจริงโอ้เหนื่อยหน่ยในกายนะพิจารณาเห็นกายกายนี้เหมือนต้นกล้วยกายนี้เหมือนพยับแดดกายนี้เปียบเหมือนของยืมเข้ามา กายนี่เหมือนก้อนเมฆสร้างเป็นรูปไปลร่างนิดเดียวอีกหน่อยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างพยับแดดยิบยิบยิบยิบเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นสิ่งของที่ของยืมเข้ามายืมรูปประทัดเอามาเป็นตัวตนของตัวเองมีตามีหูมีจมูกผมขนเล็บฟันหนังยืมเข้ามา ในท้องในไส้มีอะไรนะพิจารณาดูดิสติเราเฝ้าดูมีอะไรมีแต่สิ่งที่เป็นอสุภะคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ขี้มีแต่น้ำหูน้ำตามีตำน้ำอุศระปัสสาวะไหลตลอดเวลาอะไรเป็นที่ตั้งของความสุขนะไม่มีแล้วเราจะมีความเพลินอยู่ทำไม สิ่งที่มีนอกจากมีมาแล้วยืมเข้ามาแล้วทุกอย่างก็เสื่อมไปเรื่อยๆต้องขัดสีต้องทานนํามันต้องอะไรอยู่เรื่อยๆจะเป็นวัตถุสิ่งของนะจิตใจกายเราก็เหมือนกันต้องหมั่นขัดสีขัดถูในขณะเดียวกันผู้เป็นเจ้าของนี่จะหลงว่าเป็นของกูนี่ของยืมเข้ามานะเนี่ยเวลาถูไปถูมาดูแลมันสังขารเนี่ยกับคิดว่าเป็นของเราจริงๆไม่ใช่ ยืมเข้ามานะบางทีอายุกันยืมมาบางคนห้าปีสิบปียี่สิบปีสาสิบปีสี่สิบห้าสิบเขามาเอาคืนถ้าดูแลรักษาเป็นก็อยู่นานรักษาไม่ดีเขาก็เอาคืนไปไหวในขณะเดียวกันผู้เป็นเจ้าของนะโรคไัยแค่จะเบียดเบียดร่างกายนี้เหมือนไฟไม่บ้าน เหมือนไฟไม่บ้านนะร่างกายสังขารนี่เสื่อมอยู่เรื่อยๆนี่ทีนี้ผู้เป็นเจ้าของต้องกระโดดออกนะคุณต้องมีปัญญาออกจากสังขารเนี่ย น, นี้ให้ได้ถ้าหาไม่แล้วเนี่ยไฟไม่บ้านเราก็ตายพร้อมกับไฟไม่บ้านมันไม่มีปัญญาโดดออกไงเดี๋ยวนี้เริ่มนะสมเข้ามาเรื่อยๆไฟเนี่แยแผลดเผาร่างกายนี่หนะักเข้าหนะักเข้าหนะักเข้ า, นะขาแก่ชราภาพลงเรื่อยๆ เจ็บปวดเมื่อยเป็นหนุ่มเป็นเจ้าเป็นเบาเป็นเท่าเป็นแก่นั่นแหละคืออาการเสื่อมแต่จิตนี้ก็ยังไม่เห็นภัยว่าเรือนี้ถูกไฟไหม้แล้วเราต้องพายจำ้ำเข้าไปถึงฝั่งได้รีบขึ้นฝั่งแล้วปล่อยมันไหม้ไปเรายังมัวตกแต่งเขียนคิ้วเขียนตานะเขียนหูตุ้มหูตุ้ ม, ห, มหางเข้าไปใส่ผมใส่วิกใส่นอนเจนี่ ยังมาตกแต่งมัวตกแต่งเรือทั้งที่อยู่กลางทะเลท่ามกลางชาติชราพยาธิทั้งหลายเราไม่รู้สึกว่าเป็นภัยชีวิตนะเนี่ยท่นหยุดเมาในกายหยุดเมาในกายหยุดหาอะไรที่มันสวยๆงามๆ ม, มาประดับเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรมันหยุดมัน สวยฮะเว้นฮันในการพวกนี้เอามาใส่มากมายหลากหลายเอาพออยู่ได้ประคองได้อืมต่งกายไม่ได้ไปอยู่อํานาจของเรานะมันทุกขังมันอ น, นิจจังมันอนัตตาตลอดเวลานะมันไม่เหมือนเศร้าไม่เหมือนเซ็งไม่เหมือนซื้อไม่เหมือนเช่าเข้ามานะเนี่ย อีกหน่อยเขาก็มาเอาแล้วเนี่ยกายไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่ากายนี่เหมือนต้นกล้วยกายนี่เหมือนต้นกล้วยต้องแกะดูดีมันมีอะไรแกะเข้าไปแกะเข้าไปลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งไม่มีอะไรกายนี้แกะลึกเข้าไปยิ่งจะไม่มีอะไรนะผ่าหนังออกเป็นเนื้อเนื้อเป็นเลือดเป็นเอ็นเป็นกระดูกอะไรคือเรา เราคืออะไรส่วนไหนที่เป็นของเราอะไม่มีอะไรแตะนิดแตะหน่อยมันก็เจ็บก็ปวดได้เลือดไหลแล้วมันบางจะตายไปอแต่เราก็มาชื่นชมนะชื่นชมดอมดอมกำหนังพวกนี้ยเอาจริงเอาจังกับมัน่ะนะหลงว่าเป็นของเราผมเสียเวลาไปกับผมเท่าไหร่วันหนึ่งขนเสียเวลาไปกับขนเท่าไหร่ เล็บฟันหนังเสียการลงทุนดูแลมันไปเท่าไหร่ปีหนึ่งนอนเสียเวลาไปกับการ น, นอนเท่าไหร่วันหนึ่งสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงวันหนึ่งหกชั่วโมงยังทำสัปดาห์หนึ่งละหกเจ็ดสี่สิบสองเดือนหนึ่งละเท่าไหร่นะสี่สองคูณสามสิบ มันเยอะนะถ้าปีหนึ่งละเท่าไร่มากเข้าไปอีกเรื<ๆ>่อยๆทีนี้บางคนนอนมากกว่านี้ลหละถ้าคิดดูนะเดือนหนึ่งเจียดเวลาตื่นดึกลูกช้ามาทำความเพียรสักชั่วโมงหนึง่งตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูแลรักษากายลูกษาจิตตัวเอง คือมาตรวจตราเป็นยามเฝ้าจิตตัวเองเฝ้าบ้านสำรวจตรวจสอบดูอะไรเจ็บอะไรปวดอะไรเมื่อยอะไรเป็นยังไงนี่นะดูผนังบ้านคือดูฝาดูผิวหนังนะฮะดูโครงบ้านคือกระดูกกระเดี่ยวน่ดูผู้อยู่ในบ้านเช็กสุขภาพตัวเองก็คือเฝ้าดูจิตจิตผู้เฝ้าเนี่เป็นยไง แต่ยังอะไรอาวนมันเน่าขนาดนี้มันเหม็นขนาดนี้เราก็ยังเฝ้าอยู่เราชอบมันอยู่อ่ะมันชอบมันมันไม่อยากปล่อยไม่อยากวางเพราะมันแตกสลายถึงวันแตกสลายเราตายตามตายตามมันมันเปลื่อยเราก็เปื่อยตามมันทุกข์ก็ทุกขตามมันคิดตามมันคิดมากอคิดมากมันยึดมันถือมัน นะการตายนี่เป็นสมมุติเฉยๆนะตายต่ร่างกายนี่เป็นสมมุติที่จริงมันไม่ได้ตายจริงนะจิตอ น, นีนะ่ร่างกายนี้ก็ไม่ได้ตายจริงมันเป็นสมมุติการเปลี่ยนผ่านาธาตุขันเฉยๆเรารู้สึกว่าโอ้ตายแล้วคนนั้นตายคนนีน้จริงเขาไม่ได้ตายนะธรรมชาติาธาตุขันมันเปลี่ยนผ่านเฉยๆดินน้ำไฟลมมันกลับสู่สภาพเดิมมันแต่เราเรียกว่าตาย เพราะเราไม่เห็นไม่มีปัญญารู้แจ้งบานนั้นถอนความพอใจในกายนี้ออกซักให้ได้ในกายถอนมันออกให้ได้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในเวทนาความพอใจและความไม่พอใจในโลกในกายในเวทนาในโลกโลกก็คือ ทุกอย่างที่เราชอบเนี่ยถอนมันออกขอนความพอใจความไม่พอใจในสังขารเห็นโทษเห็นทุกข์ของกายของเวทนาของโลกของการยึดติดอยู่กับโลกเห็นโทษเห็นภัยของสังขารที่มันเกิดดับตลอดเวลา เห็นโทษเห็นภัยของการที่เข้าไปปรุงแต่งยึดติดอยู่ในสังขารสังขารความปรุงแต่งจิตมันไปยึดติดผูกพันแต่งอะไรมันก็ชอบอันนั้นอ่ะเมื่อเราทํำอะไรสวยๆเราก็ต้องไปดูอยู่บ่อยๆถ้าเราชอบกายเนี่ยตื่นมาแล้วก็ชอบมันบ่อยๆอ่ะมันไม่ได้ถธอเกิดมาเพื่อให้เราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นธรรมชาติมันนะเนี่ยเสื่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อดอกไม้ดอกหนึ่งถ้าเรารู้เวลามัน เกิดมาในสักวันมันต้องเหี่ยวตายอายุมันประมาณเจ็วันสิบห้าวันประมาณนี้ถ้ากล้วยไม้ก็เป็นเดือนออืแต่รู้อยู่ว่าเวลานี้มันต้องตายแล้วก็เหมือนกันเราเฝ้าดูชีวิตแล้วออืมันเกิดมาได้ชีวิตนะอีกหน่อยมันก็ตายเนี่ยเนี่ยกินกินดื่มดืมเล่นปิโนหัวไปอีกหน่อยมันก็จะสะดุดสะดุดแล้วก็ตายเราก็ยอมรับได้ว่าชีวิตนี่ต้องทายต้องเสื่อม ต้องเจ็บเราก็ไม่มัวเมาที่จะปล่อยใจให้หลงกายนี่นานหลงยึดติดจนถ้าว่าเวลากายตายเปื่อยเน่าเข้าลงไปใจกระตายไปด้วยไม่เอาละคนฉลาดต้องเตรียมตัวโดดบ้านนี้ไฟไม่บ้านนีต้องโดดหนีไม่เข้าไปอยู่ในนั่นนะคือวิญญาณมันไม่ออกมันติด เพราะมันมีอวิชชาคือความหลงนี่แหละปัญหาันั้นทำยไงเราจึงจะคลายกายนี้ได้ท่านบอกว่าภิกษุผู้จะออกจากหมู่จากคณะจะต้องมีความมั่นใจในสภาวะทำสองอย่างหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่สันโดษในปัจจัยสี่มั่นใจไม่ว่าปบบสันโดษ ในอาหารในการกินเราเองก็เหมือนกันนะที่จะหนีออกจากคูบาอาจารย์ไปทำคนเดียวคนเดียวทำคนเดียวก็ได้หรอ ว, วาอันนี้เนี่ยอย่าในน้อยเราต้องมั่นใจว่าเราสันโดษในปัจจัยสี่หนึ่งการกินการนุ่งห่มเสื้อผ้าพวกนี้บางคนยึดติดนะ ไม่ได้ทำเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้เหตุกาณ์นี่นะสามเศนาส น, นะเป็นคนมักน้อยสันโดษจริงไหมบางคนอยากเป็นมากน้อยสันโดษแต่พอไปแล้วก็หลูขึ้นเหมือนเดิ ม, มสามหนึ่งเป็นคนมั่นใจว่าตัวเองมีคุณธรรมสองอย่างก็ถือว่าพัฒนาต่อได้มักน้อยในปัจจัยสี่สันโดษในปัจจัยสี่ คุณธรรมที่สองนี่คือต้องมั่นใจไม่มีกามวิตกต์ไปอยู่คนเดียวเนี่ยจะต้องไม่คิดเรื่องกามกามวิตกคือคิดเรื่องกามกามวิจฉะกามราคะเนี่ยจะต้องไม่มีในจิตถ้าเป็นอย่างนี้ในก้าวหน้าได้อย่ายมอยู่ที่บ้านทําได้ก็ออกได้แต่ถ้ายังมียังติดอยู่ในปัจจัยก็ ไม่มีอุปนิสัยในการลดเหลิกละมีความตรึกอยู่ในกามเป็นกามาวิตกคุนธรรมมันไม่เจริญก้าวหน้านะเพราะเราจังเห็นมันเป็นตัวตนร่างกายนี้ก็ติดอยู่อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ติดอารมณ์ติดอารมณ์ติดอารมณ์อยู่เนี่ยเอา้ามันก็ข้ามอารมณ์ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่เขาต้องการสติสมบัญณ์เพื่อทะลุอารมณ์ก็เรียกว่าการบรรลุธรรม คือทะลุมันไปได้ทะลุแล้วแตกตบเหมือนแทงลูกโป่งนะไม่ใช่ทะลุไปแล้วไม่แตกนะทำแบบเหมือนนะเหตุการณ์สิบเอ็ดนะจะลวดมันป่องเข้าไปในเวอนเท็บลมละนีนะแตก่กองยุบลงไปถึงพื้นแบบนั้นแหละเราจะทำแบบนั้นแหละแทงทะลุเข้าไป วิ่งผ่านไปไม่วิ่งผ่านที่เฉยนี่ยเระเบิดตูมไปดีเดียนมันกันในสติสัมปชัญญแทงทะลุกิเลสเนี่ยมันที่เป็นอย่างนั้นกิเลสมันก็ทลายไปเลยเน่มันหายมันตั้งอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้ที่มันตั้งอยู่อะไรเพราะมันอาศัยความหลงของเราเองความพอใจไม่พอใจของเราเองมันยึดติดนั่นนอกจากความพอใจในกายเห็นกายเป็นของไม่เที่ยงกาย เหมือนยืมเข้ามานะกายเนี่ยกายเหมือนต้นกล้วยนะดูดิดูดี ด, ด, ดิที่เรายึดติดเนี่ยต้องเหนื่อยหน่ายในกายนี่ปล่อยวางเวทนาในระดับต่างๆเป็นพิจารณาดูความเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยโรค ก, กายก็มากแล้วยังจะมาลรกจิตอีก โรคจิตคือโรคที่เกิดจากความหลงผิดเนะียหลงพิจารูปกายหลงผู้ผิดในรูปของคนอื่นเนี่ยมันเมากายเมาโรคเนี่ยเมาสังขารต้องพิจารณานะของพวกนี้มันไม่เที่ยงซะ ก, กันนะเราเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเพราะต้นกําเนิดเกิดมาก็เกิดจากอาวิชชาเหมือนกันสัตว์มนุษย์นี่มันมีเหมือนกันนะ อนนี้จังเหมือนกันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันยึดมันเป็นทุกขังเหมือนกันเราสมมุติเฉยๆหรอคนรวยคนจนเนี่ยสมมุติเอาเฉยๆนะสมมุติเอาเฉยๆว่าสวยว่างามว่าดีว่าเด่นมีชื่อมีเสียงสมมุติเฉยๆแต่ความจริงคือเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมนะอยู่กับความทุกข์อยู่กับความคิดเหมือนเดิมคนนี้คิดหาขายะเข้ามาใส่ตัวเองได้เยอะเอาก็ดีไป คนนี้คิดไม่ได้จิตมันก็มีเท่าเท่ากันเนะี่ยคิดได้คิดไม่ได้นี่มันเท่าเท่ากันนะคือยังไม่เกิดปัญญาเหมือนกันเนะี่นไว้แต่ทําให้มันเกิดปัญญาสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งก็คือความตายอืความตาย พร้อมจะปรากฏกับชีวิตเราตลอดเวลาถ้้เจ้าเข้ามาให้เจ้าออกนอนไม่ตื่นมาแล้วความเจ็บแค่ได้ป่วยก็เกิดตลอดเวลาอุบัติเหตุพร้อมเกิดตลอดเวลาพอนึกถึงความตายสบายใจนักให้หักรักหักหลงในสงสาร ถ้านึกถึงความตายไม่รู้จะเอาอะไรอะชีวิตเนี่ยไม่รู้จะกินไปทำไมไม่รู้เอา้ากินแล้ก็ตายเห็นไม่นักโทษเน่ะอยา ก, กินอะไรละอาหารมื้อสุดท้ายเอาไปให้เพรากินไม่ลงรู้ไว้ต้องตายรู้ว่าจองต้องตายแล้วจะกินทำไมเนยมันก็นตายอยู่กินแล้วก็ตายเหมือนกันเน่ถ้าเราเห็นความตาย เจริญมรณานุสติตลอดเวลามรณะสติมีสติระลึกถึงความตายจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราตลอดเวลานะไอ้ความโลภโกรธหลงมันก็จืดจางคลายจางห่างหายไปเองโดยธรรมชาติด้วยอัตโนมัตินะเพราะชีวิตก็แค่นี้ ใหญ่โตยังไงก็สมมุติเฉยๆนะี่ใหญโตก็ความคิดใหญ่โตสุดท้ายเวลานอนก็เหมือนเดิมเวลากินก็กินถ้วยเดียวเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะกินถ้วยเดียวเหมือนเดิมนอนในเสื่อสี่เหลี่ยมนี่เหมือนเดิมผมผ้าก็แค่นี้เหมือนเดิมนะเอาอันนี้ใส่เอานั้นใส่ก็เพื่อความอบอุ่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างกินในอาหารจานเดียว สำรับประดับมุกประดับเพชรนี่ก็ะทำสุดท้ายคือเพื่ออิม่มกินอิ่มแล้วก็จบไปมันก็หยดปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งถ้าอะไรมันเลิศเลยมันก็คิดถึงอีกคนขอทานเอาพออิ่มแล้วก็จบนะแล้วคนขอทานไม่มีเสือ้อเขาบอกคนขอทานทานไม่มีเสื้อผ้าเขาว่าไม่มีเสื้อผ้านี่เขาเขาไม่สวมสมมุติไงคนไม่สวมสมมุติเนี่ยไม่ทุกนะถ้าสวมสมมตเิเยอะๆเป็นทุกนะ ยิ่งมีขีดมีแง่งมีงงมีน้นมีนี่ตำแหน่งนั้นทุกข์นะมันทุกข์เป็นไม่เป็นจะเป็นทุกข์ถ้าเป็นเป็นเนี่ยจะไม่ทุกข์เป็นอะไรก็เป็นให้เป็นนะถ้าเป็นไม่เป็นเนี่เป็นทุกข์นะเพราะมันไปเป็นทั้งกายทั้งจิตนะที่สำคัญคืออยู่ในภาวะนั้นไม่เป็นไฟก็หล่นก้นเพราะว่าทั้งโลกนราฆาโทสะมัะราบยศสรรเสริญเป็นไฟนะเผาเรา เห็นไม่คนโดดคนนั้นโดดเข้ามาแก้ปัญหาคนนี้โดดเข้ามาแก้ปัญหาอีกซะหน่อยลาออกแล้วลาออกแล้วรัฐมนตรี น, นี่ปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะนะมันเยอะแต่คิดว่าจะแก้ปัญหาได้เพราะเข้าไปแล้วมันไม่ใช่แก้ปัญหาระบบอะไรนี่แก้ปัญหามนุษย์นะ